ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีรังการสนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสามกรรมมากรรมะวินิชยกถา ก, ากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่อง สังฆกรรมน้อยใหญ่ต่อก็ถึงเรื่องของพยัญชนะพุทธิมีสิทธิอย่างนี้กันวินิจฉัย ใ, ในคําว่าทุรุตังกรโอตินี้ดังต่อไปนี้ทิก ส, ส่วใดสวดอัคระอื่นในเมื่อตนค ว, นสวนาารสวดอัคระอื่นเนื้อสวนี้ชื่อว่าสวดผิดทุรุตังนี้ก็หมายถึงว่าผิดเป็นความผิด เพราะเหตุนั้นที่สุพูจะตรวจกรรมวารจาพึงสนใจให้ดีซึ่งประเภทแห่งพยัญชนะพุทธิซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสิทิลังธนิตันจะดีค ะ, ะรังค์ขรุตังลหูกันจะนิคหิตังสัมบันทางวะวัตทิตังวิมุตตังด้าสทาพยัญชนะพุทธิยาประเพโดแปลว่าพยัญชนะพุทธิก็คือความชราในพยัญชนะ มีสิทอย่างก็คือสิทธิถิ่นหมายถึงเสียงเคลาวทณิตะหมายถึงเสียงหนักก็คือเสียงเข้มทีฆะก็ยาวรัศมีสั้นครุห ม, มายถึงหนักแล้วหูก็เบานิฆะหิตก็คือเสียงขึ้นจมูกสัมพันธะก็ติดต่อกันเสียงติดต่อกัน ว, วัตถิตะก็เสียงแยกกันวิมุตต์ก็เปิดปากปล่อยก่อน ก็ในประเภทแห่งพยัญชนะพุทธิสิบตัวนี้พยัญชนะที่หนึ่งและที่สามในวักทั้งห้าชื่อว่าสิทธิถินก็คือเสียงพลาวพยัญชนะที่หนึ่งก็ได้แก่อะไรมันมีห้าวักด้วยกันห้าวักก็ได้แก่กะวักกะวักก็คือกันถะวักคอก็คือกะข้าค้นะพยัญชนะที่หนึ่งก็ได้แก่ตัวกะแล้วก็ตัวข้เป็นเสียงพลาวกข้าหรือว่า ถ้าเป็นจะวัคจะชฌะชะ ช, ะชะยะจาจจจานแล้วก็ชะชจัชฌังนี่ก็เป็นสิถินถ้าเป็นตะใหญ่ตะใหญ่ตะวะัคก ะ, ะตะทะตะทะนี่ก็อย่างชนิดที่หนึ่งที่สามตานี้ก็ตะกระทะเหมือนกันดะตะแล้วก็ดะแล้วก็วัคปะก็ปะแล้วก็บะตะบะ นี่ก็เป็นสิถินยันชนะที่หนึ่งกับที่สามส่วนพยัญชนะที่สองและที่สี่ในวักเหล่านั้นแหลก็ชื่อว่าทนิษก็เสียงแผ่นถ้าเป็นตาวะก็ตัวข่ะกับตัวคะค่ะคะนี่พยัญชนะที่สองกับที่สี่แล้วก็ชะชะพยัญชนะจะัจจวะักที่สองกับที่สี่แล้วก็ตาก็ทะพ ะ, พะ พ่แล้วก็อะไรท่าท่าททเสียงตัดเล็กแล้วก็พะผะผะะอันนี้ก็ว่าปะนีพยัญชนะที่สองกับที่สี่ก็เป็นพนิษเสียงแข็งสรัทที่จะพึงว่าโดยระยะยาวได้แก่สรัอาอเป็นต้นอีูเอโอศรัทธาเสียงยาว อสองมาตราชื่อว่าทีฆะสระที่จะพึงว่าโดยระยะสั้นเสียงกกิงหนึ่งจากทีฆะสระนั้นได้แก่สระอะเป็นต้นก็คือออิอุ I U, อันนี้เรียกว่าสระเสียงสั้นหนึ่งมาตราชื่อว่ารสะทีคะสระนั่นเองชื่อว่าครุทีฆะสระก็คือออิอุเอโอเป็นครุเป็นเสียงหนักอีกอย่างหนึ่งสระ เสียงสั้นที่มีพ ย, ยัญชนะสะกดอยู่ข้างท้ายอย่างนี้ว่าอยัสมโตพุทธรารคิตัฏเธระสะยัตสะนักธมติพวกคําว่าพุทธพุทธแล้วก็รักพุทธรคิตตัฏสะผุทธรคิตตัฏเธระตัดคำว่าพุทธคําว่ารักคําว่าตัดคําว่ายัตคําว่านักนักธรรมติคำว่านัก อันนี้ก็เป็นสะเสียงสั้น n อ ana na เ น, ะนะี่ยแต่ว่ามีตัวสะกดเป็นตัวกอไก่มาสะกดก็เป็นนักกอไกยเป็นคารุเหมือนกันจัดเป็นคารุส่วนรัศดรนั่นเองชื่อว่าละหุสระเสียงสั้นออ a อ u ลงท้ายเช่นคําว่าขัมติคัมติก็สระอา่ากับระอีอันนี้ก็เป็นละหุอีกอย่างหนึ่งสระที่กล่าวไม่ให้มีพยัญชนะสะกดข้างหลังอย่างนี้ ก็คื อ, อยัติมัตโตคุุธราคิตทัทธรสาศาสนาธมติคำว่าณก็เป็นสระเสียงสั้นขาก็เสียงสั้นมะก็เสียงสั้นติก็เสียงสั้นนี้ก็จัดเป็นระหุเหมือนกันอักขระที่ว่าเปิดปากเล็กน้อยกดกอนไว้ไม่ปล่อยความเสียงให้ขึ้นจมูกชื่อว่านิฆหิตนิฆหิตเช่นสั้นคำ ตั้งคันบุทษงบุษงขึ้นจมูกหน่อยหนึ่งอันนี้กดก่อนเอาไว้ไม่ปล่อยแล้วก็ทําเสียงขึ้นจมูกก็มีตัวนิเคหิตก็คือตัวอังอันนี้เรียกว่านิเคหิตหรืว่าเขาเรียกอนุสารอนุสารตามสศะสิงสั้นก็คือตามเสียงอะ อ, อ, อิอุบทที่ว่าเชื่อมกับบทหลังเช่นตุนหิตะ หรือว่าตุนหัสะชื่อว่าสัมพันธ์ก็หมายถึงว่าเชื่อมติดต่อกันนะควจริงแล้วมาจากคาว่าตุนหีกับอัศะตุนหีกับอัศะก็เป็นตุนหิตะหรือว่าตุนหัสะนี้เรียกว่าสัมพันธ์ก็คือเชื่อมต่อกันส่วนบทที่แยกกล่าวไม่เชื่อมกับบทหลังเช่นตุนฮีอัศะหรือว่าตุนหะแล้วก็อัศะชื่อว่า ว, วัถิตะอันนี้ไม่เชื่อมกัน อักคราที่ว่าเปิดปากไม่ทําเสียงให้ขึ้นจมูกปล่อยเสียงไม่กดกอนไว้ชื่อว่าวิมุตต์ก็คือสุนาตุสุนตุอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตต์ถ้าเกิดเป็นนิกหิตก็สุน ม, มตุสุน ม, มตุตอันนี้ก็เป็นนิกหิตแต่ว่านิกขิตอาจจะเป็นตัวห น, นูก็ได้ในเพญชนะพุทธิมีสิหินเป็นต้นนั้นเมื่อควรตรวจว่า ตุโนตุเมแต่ว่าว่าตัดเป็นทะเสียแล้วตรวจว่าสุมาทุเมอันนี้ชื่อว่าทําสิทถิินให้เป็นธนิษตุเนี่ยเป็นสิทถิินตุเป็นพยัญชนะตัวที่หนึ่งพยัญชนะที่หนึ่งตะวักแต่ว่าไปตรวจเป็นทะทะเป็นพยัญชนะที่สองในตะวักเป็นเสียงหนักเป็นธนิษ ทำเสียงินให้เป็นทนิษฐในบทที่ควรสวดว่าปตตะกันลังเอซายติไปตรวจว่าปัตตกันลังเอซายติทําเสียงสิทินให้เป็นทนิษฐ์เหมือนกันพยัญชนะที่หนึ่งไปตรวจเป็นพยัญชนะที่สองบทอันควรสวดว่าพันเตสังโคก็เปลี่ยนพระ พอสมเผาเป็นบะหรือว่าเปลี่ยนเป็นคะคอระคังเป็นคะคอควายแล้วสวดว่าบันเตสังโกชื่อว่าทำธนิดให้เป็นสิถินอันนี้ก็เป็นการสวดผิดสวผดสวผิดอย่างนี้อักขรวิบัตกรรมเสียได้เหมือนกันเมื่อบทควรจะพึงเปิดปากว่าสุมาโตเมกลับเปิดปากเล็กน้อย ให้เสียงขึ้นจมูกว่าสุนตุมเมก็ดีควรจะสวดราสุนาตุเม่แต่ในสวดราสุมันตุมเมก็ดีเมื่อบทควรจะพึงเปิดปากว่าเอสายติกับเปิดปากเล็กน้อยแล้วก็ให้เสียงขึ้นจมูกเป็นเอสังยัติก็ดีชื่อว่าทําวิมุติให้เป็นยนขสัย คำอันจักพึงเปิดปากเล็กน้อยให้เสียงขึ้นจมูกว่าปัตตะกันลังกลับเปิดปากไม่ทําเสียงให้ขึ้นจมูกว่าปัตตะกันลาเชื่อว่าทํานิขหิตให้เป็นวิมุตนชนะสี่เหล่านี้คือเมื่อควรสวดให้เป็นสิถินกลับสวดให้เป็นพนิษ์เมื่อควรสวด ใ, ให้เป็นพนิษฐ์กลับสวดให้เป็นสิถินเมื่อควรสวดให้เป็นวิมุตสวดให้เป็นนิพหิต เมื่อควรตรวจให้เป็นนิกหิต ด, ดับตัวให้เป็นมิมุตย่อมทํากรรมให้เสียในภายในตรรมวาจาด้วยประการชนนี้เพราะฉะนั้นท่านชะนะสีประเภทนี้ก็คือสีถิ่นทนิษฐ์มิมุตินิกหิตอันนี้จะต้องตรวจให้ถูกต้องไม่ให้ตรวจผิดกลับกันเสียถ้ากลับกันกรรมวารจารเสียเลยนะใช้ไม่ได้จึงอยู่เพียงตู้ผู้สรวจอย่างนั้นสรวจอักขระอื่น ในเมื่ออัคระอื่นอันตนควรสวดท่านกล่าวว่าสวดผิดก็คือทุรุษตังธุรุษตังนี้สวดผิดนี่ก็เป็นกรรมวาจาเสียด้วยในพยัญชนะสี่อย่างเหล่านี้ก็คือสิ่ถิ่นเป็นธนิษฐ์นิดเป็นติดถิ่นวิมุตติเป็นนิกเะหิตนิกระหิตเป็นวิมุตตินี่สวดผิดแล้วก็กรรมวาจาเสียด้วยอันภิกษุผู้สวดกรรมวาจาควรสวดอัครานั้นนั้นแหลให้ถูกต้องตามฐานอย่างนี้คือ ในพยัญชนะหกนอกนี้มีทีฆะและรัษะเป็นต้นสวดทีฆะในที่แห่งทีฆะสวดรัศะในที่แห่งรัศะอย่าให้ประเพณีอันมาแล้วโดยลำดับศูญเสียทากรรมวาจา่าแต่ถ้าภิกษุผู้สวดกรรมวาจาไม่สวดอย่างนั้นเมื่อควรจะสวดเป็นทีฆะสวดเป็นรัศษเสียหรือเมื่อควรจะสวดเป็นรัสะสวดเป็นทีฆะเสียก็ดี เมื่อควรจะสวดให้เป็นครุส ว, karaoke, สวดเป็นละหุเสียหรือเมื่อควรจะสวดให้เป็นละหุสวดเป็นครุเสียก็ดีอันหนึ่งเมื่อควรจะสวดให้เช <homes> ืสส <animations> ่อมกันสวดแยกกันเสียก็ดีหรือเมื่อควรจะสวดให้แยกกันสวดเชื่อมกันเสียก็ดีแม้เมื่อสวดอย่างนี้กรรมวาจาก็ไม่เสียจึงอยู่พยัญชนะหกนี้ไม่ยังกรรมให้เสียหกอย่างนี้ไม่ยังกรรมให้เสียสี่อย่างถึงยังกรรมให้เสีย แต่ก็ควรจะทำให้ประเพณีถูกต้องไม่ควรจะสัวที่มันกลับกันที่คาตระกับครุระหุแล้วก็ว่าวัฏฏิตะกับสัมพันธ์ส่วนกลับกันนี้ไม่ทำกรรมให้เสียก็คำใดที่พระสุตตันติกะเถระทั้งหลายกล่าวว่าดะกลายเป็นตะด ะ, ดะทอทหารกลายเป็นตอเตาได้ ต่อตาก็คือตะกลายเป็นดะก็คือต่อทหารได้จะกลายเป็นชะได้ชะกลายเป็นจะได้ยะกลายเป็นกะได้กะกลายเป็นยะได้โดยเวกาอนก็จะมีสูตรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้วัตกะเป็นวัตจะต่างต่างเหล่านี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะฉะนั้นในที่ควรตรวจเป็นดะทหารด้าอักษรเี่ยนะ เป็นต้นส่วนเป็นตากอักษรเป็นต้นก็ไม่ผิดอันนี้ฝ่ายจตันติกาท่าเทา่าทางด้านฝ่ายประสูตรพูดไว้อย่างนี้ตามไวยากรณ์เป็นได้คํานัน้นเมื่อถึงกรรมวาจาแล้วย่อมไม่ควรทางด้านพระวิไนที่ใช้ไม่ได้ทาด้านพระวิไนนี่วาจาอไหนจะอักษรอันไหนก็ต้องเป็นอันนั้นแต่ถ้าเป็นด้านพระสูตรไม่เป็นไรทางด้านประสูตนี้ก็สามารถรู้ความหมายกันได้ เพราะเหตุนั้นพระวินัยทรไม่พึงว่าดะคือต่อทหารเป็นตะตะ่อต่ไม่พึงว่ายะกลายเป็นกะหรือว่ากะกลายเป็นยะพึงสวดกรรมวาจาชำระภาษาตามควรแก่บาลีหลีกโทษที่กล่าวแล้วแห่งภาษาคือพยัญชนะทั้งสิบอย่างเสียจึงอยู่ถ้าไม่ทำอย่างนี้เสียชื่อว่าสวดทิ้งสาวนาก็คือสวดทิ้งอนุสาวนา ก็จะทําให้กรรมวิบัตได้เหมือนกันสองบทว่าอากาเลวาสาเวติมีความว่างดยัติไว้ทําอนุสาวนากรรมเสียก่อนในสมัยไม่ใช่การคือไม่ใช่โอกาสแห่งสาวนาแล้วตั้งยัติต่ตอในภายหลังควรจะต้องตรวจยัติก่อนแล้วก็ตรวจอนุสาวนาในภายหลังแต่ว่าไปตรวจอนุสาวนาก่อนแล้วก็ไปตั้งยัติในภายหลังอันนี้แสดงว่าตรวจในการไม่ควร กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาด้วยอาการห้าอย่างนี้ด้วยประการชนิดนี้ก็เป็นเรื่องของอนุสาวนาวิบัติอันหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยสีมาดังต่อไปนี้สีมาใดาไม่จุเพียตุได้ยี่สิบเอ็ดรูปสีมานั้นจัดว่าสีมาเล็กเกินไปต้องยี่บเอ็ดรูปยี่สิตรูปนี้สําหรับผู้ที่เข้ากรรมส่วนโรคที่ยี่สิบเอดนี้สําหรับพิสูจผู้ถูกทำกรรมนั่นและ ผู้ควรแต่กรรมยี่สิบรูปนั้นเป็นผู้เข้ากรรมโดนรูปที่ยี่สิบเอ็ดก็คือผู้ที่จะต้องอภายก็เป็นผู้ที่ควรแก่กรรมแต่ในกุรุนทีว่าพิจูยี่สิเอกรูปไม่อาจนั่งในสีมาใดสีมานั้นจัดว่าเล็กเกินไปเพราะเหตุนั้นสีมาเห็นตามนี้อันสงสมมติแล้วก็ตามเป็นอันไม่ได้สมมตุติย่อมคงเป็นเช่นกับคามเขตกรรมที่ทําในสีมานั้นย่อมเสีย แม้ในสีมาที่เหลือทั้งหลายก็ในนี้ถ้าทําในคามาเขตก็คือในสีมาที่เล็กนั้นก็เปรียบเหมือนกับคามาเขตแล้วนะก็คือเป็นคาเมสีมานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจตราดูให้ดีว่าในคาเมเขตนั้นน่ะมีพระพิสุอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีอยู่แล้วไม่ได้เข้าหัตถบาศกรรมยิ่เสียแต่ถ้าไม่มีพระพิสุอยู่เลยที่มีพระพิสุอยู่เลยกรรมนั้นก็ไม่เสียก็เป็นคามมสีมาไปแต่ว่าปกติแล้วก็จะต้องมีพระพิสุอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะ แม้ในสีมาที่เหลือทั้งหลายก็ดนนี้นั่นเองก็อนในสีมาเหล่านี้สีมาในเป็นแดนอันสองสมบุติเกินสามโยชน์แม้เพียงปลายเส้นผมเดียวสีมานั้นจัดว่าใหญ่เกินไปสี่สิบแปดกิโลเมตรถ้าเกินไปแม้แระทั้งปลายเส้นผมเดียวใช้ไม่ได้สีมาวิบัติใหญ่เกินสีมามีนิมิตไม่ต่อกันเรียกว่าสีมามีลิมิตขาด เพิกตุทักนิมิตในทิศตะวันออกแล้วทักในทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือวนไปโดยลาดับกันแล้วทักซ้ำนิมิตที่เคยทักแล้วในทิศตะวันออกอีกแล้วจึงหยุดนี้จึงจะควรจึงจะถูกต้องสีมาย่อมเป็นแดนมีนิมิตไม่ขาดอย่างนี้ก็ถ้าว่าทักมาตามลาดับแล้วทักนิมิตในทิศเหนือแล้วหยุดเสียแค่ทิศเหนือนั่นเองสีมาย่อมมีนิมิตขาด ต้องไปซ้ำซ้ำอีกทีหนึ่งถ้ามีลูกนิมิตสีส่ลูกก็ต้องชี้แล้วก็ทัดนิมิตห้าครั้งนั่นนแหละไปทัด ก, กับอันเดิมอีกครั้งหนึ่งเลยอันเดิมไปตั้งแต่แรกไปครั้งหนึ่งถึงจะเป็นสีมาไม่ขาดไม่มีนิมิตขาดสีมาใดที่สงสมมุติจัดเอาต้นไม้มีเปลือกแข็งก็ดีตอไม้ก็ดีกอ ง, อ ง, งดินกองทรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ซึ่งไม่ควรเป็นนิมิตให้เป็นนิมิตอันหนึ่งในระหว่างสีมานั้นจัดเป็นสีมามีนิมิตขาดอีกชนิดหนึ่งก็คือนิมิตนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมาเป็นนิมิตได้ที่จะมาเป็นนิมิตได้นี้มีแอย่างก็คือพวกภูเขาก้อนหินฝนทางแล้วก็แม่น้าแล้วก็ทางเดินถนนนั่นแหละแล้วก็จอมปลวก ต้นไม้ป่าพวกนี้นะแปดอย่างถึงอย่างมันเป็นนิมิตได้พวกกองทรายพวกตอไม้กองดินอนะไรพวกนี้ไม่ได้จะเอามาทําเป็นนิมิตเป็นนิมิตขาไปสีมาใดที่สองส ม, มุติกะเอาเงาภูเขาเป็นต้นเงาอย่างไนย์อย่างหนึ่งให้เป็นนิมิตสีมานั้นชื่อว่ามีเงาเป็นนิมิตอันนี้ก็สีมาวิบัติเหมือนกันสีมาใดที่สองส ม, มุติไม่ทัดนิมิตโดยประการทั้งปวงสีมานั้นชื่อว่าหานิมิตมิได้ เท็กตุทัดนิมิตแล้วยืนอยู่ภายนอกนิมิตสมมุติสีมานั้นชื่อว่ายืนอยู่นอกสีมาสมมุติสีมาเป็นสีมาวิบัติใช้ไม่ได้เหมือนกันต้องไปอยู่ภายในนิมิตแล้วว่าสมมติสีมาจึงใช้ได้เที่ตุสมมุติสีมาในด้านน้ํามีแม่น้ำเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าสมมติสีมาในแม่น้ําในทะเลหรือว่าในสระเกิดเองในชาติศาสตร์ก็ไม่เป็นอันสมมุติเหมือนกันแต่ว่าทันกรรมได้นะ ไม่เป็นอันสมมติแต่ว่าไปทำกรรมในแม่น้ําก็ได้เพราะว่าเป็นนาีสีมาอยู่แล้วเป็นอุทกุตตะเขปะเสมาสีมาที่วักน้าําสะอาดช่วงวักน้าําสะอาดหรือว่าในทะเลนั่นก็เหมือนการในชาติศาสก็เหมือนกันเราสามารถทําสังกรรมได้เลยเป็นอาพ า, าธศีมาสีมานั้นแม้ตงสมมุติแล้วอย่างนั้นย่อมไม่เป็นอันสมมุติเลยเพราะพระบาลีว่าดูก่อนที่ฏฐ์ทั้งหลายแม่น้ำทั้งปวงไม่ใช่สีมา ทะเลทั้งปวงไม่ใช่สีมาสะเกิดเองทั้งปวงไม่ใช่สีมาลายบทว่าสีมายะสีมังสามพินดติมีความว่าค่าเกี่ยวสีมาของผู้อื่นด้วยสีมาของตนบทว่าสีมายะสีมังอัจฉรสัตรติได้แก่สมุติทับสีมาของผู้อื่นด้วยสีมาของตนทางเนตลับแล้วนะว่าสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันก็คือ ถ้าเป็นสีมาคาบเกี่ยวหมายถึงว่าสีมาของตัวเองเนี่ยมีนิมิตเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกับสีมาของคนอื่นนิมิตของตนเองเข้าไปอยู่ในสีมาคนอื่นบริเวณสีมาของตนเองเป็นคาบเกี่ยวการกับสีมาของคนอื่นแต่ว่าบริเวณที่มีช่องว่างอยู่ถ้ามีช่องว่างอยู่ช่องว่างนั้นไม่สามารถที่บรรจุพระภิสูจน์ได้ยี่สิบเอ็ดรูปอย่างนี้ชื่อว่าสีมาคาบเกี่ยว แต่ถ้าเกิดเป็นสมมุติแล้วนิมิตของตอนเองเข้าไปอยู่ในสีมาของคนอื่นแล้วก็มีบริเวณช่องว่าจงจนกทั่งสามารถที่จะทิศตุอยู่ได้ยี่สิบเอ็ดรูปอันนี้เรียกว่าเป็นการทับสีมาเลยนะหนึ่นก็สีมาค่าเกี่ยวกับทับสีมาก็คือเข้าไปชนกันเกี่ยวข้องกันนั่นเองแต่ว่าดูบริเวณว่าบริเวณที่เป็นค่าเกี่ยวกันแล้วน่นนะมีบริเวณที่ทัศตัวยี่สิบเอ็ดรูปอยู่ได้หรือเปล่าถ้าอยู่ได้ก็กลายเป็น กทับสีมาถ้าอยู่ไม่ได้เป็นสีมาขาดเกี่ยวในการสมมุติสีมานั้นความขาศเกี่ยวกันและความทับกันจะมีได้ด้วยลักษณะอย่างใดลักษณะทั้งสองนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวเสร็จแล้วในสีมาคาถานั่นแหลก็คืออย่างที่กล่าวไว้เนี่ยนะความต่างกันของสีมาขาดเกี่ยวกับสีมาที่ทับสีมาสีมาทั้งสิบเอ็ดอย่างนี้ไม่จัดเป็นสีมา เป็นเช่นกับคาร์เมเกธเท่านั้นเป็นอภัสตศีมานั่นแหละกรรมที่สงนั่งทําในสีมาเหล่านั้นย่อมเสียด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการจุดเอ็ดเหล่านี้อันหนึ่งพึงอสร้างวินิจฉัยในวิบัติแห่งกรรมโดยบริษัทดังต่อไปนี้ไม่มีคําน้อยหนึ่งที่จัดว่าไม่ตื้นก็คือไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ ยากังนั้นลักษณะของพิกษุผู้ควรแก่กรรมเรียกว่ากรร ม, มารหะและพิจุผู้ควรแก่ฉันทะเรียกว่าฉันดาระหะในกรรมวิบัติโดยบริษัทนั้นที่ข้าพเจ้าควรกล่าวก็มีบ้างแต่ท่านได้กล่าวไว้ข้างหน้าแล้วแลโดยนายเป็นต้นว่าจัตตารโอภิกขุปะกะตัตตากรมรมมะปตานดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าปะกาะัตตา กรมมัปปตามีความว่าใน ก, ร, ก, กรรมที่สจะตุวัตพึงทำเทตกตุสีรูปผู้มีตนเป็นปกติก็คือไม่ถูกส่งยกวัดนั่นแหละคือผู้อันส่งไม่ได้ยกวัดอันส่งไม่ได้ลงโทษผู้มีศีลบ ร, ร, ร, ริสุทธิ์เทตกสีรูปผู้เข้ากรรมคือผู้ควรผู้สมควรได้แก่เป็นเจ้าของแห่งกรรมกรรมนั้นเว้นพวกเธอเสียย่อมทําไม่ได้ฉันถ้าก็าดีปริสุทธิ์ที่ก็ดี ของพวกเธอไม่ควรนำมาก็คือสี่รูปนี้จะนำฉันทะมาไม่ได้ถ้าสงเจตุวัตรจะพึงําสันักรรมเช่นลงโบสถมีสี่รูปสี่รูปนี้รูปใดรูปหนึ่งจะให้นำฉันทะมาไม่ได้ฝ่ายที่สุดที่เหลือถ้าแม้ประมาณพันรูกถ้าว่าเป็นสมานสังวาย่อมเป็นผู้ควรแก่ฉันทะทั้งหมดทีเดียวที่เหลือนอกจากสี่รูปนี้ก็ควรแก่ฉันทะ ได้ทั้งหมดเลยถ้าไม่มาเก้เาหัตถบาลก็ต้องให้ฉันทะมาพวกเธอมอบฉันทะและปริสุทธิแล้วจะมาหรือไม่มาก็ตามส่วนกรรมคงตั้งอยู่ก็คือทํากรรมได้ั้งให้ฉันทะปริสุทธิ์มาแล้วนะแต่สงฆ์ทำกรรมมีปริว่าเป็นต้นแก่พิสุดใด้พกสุนั้นไม่ใช่ผู้ควรไก่กรรมทั้งไม่ใช่ผู้ควรแก่ฉันทะอีกอย่างหนึ่งพิสุนั้นอันท่านเรียกว่า กรรมาระหะบุคคลก็คือผู้ควรแกกรรมน่นเองผู้จะต้องถูกทํากรรมนั่นแหละก็เพราะเหตุที่สงจัดบุคคลนั้นให้เป็นวัตถุกระทํากรรมแม้ในกรรมที่เหลือก็ในนี้เหมือนกันจะเป็นสงปัญจวัครหรือว่าทัศวัครหรือว่าวีสติวัคก็ตามโดยในนี้ถ้าสงวีสติวัคก็คือที่สูผู้เข้ากรรมที่ยี่สิบรูปที่สูนอกนั้นก็เรียกว่าที่สูผู้ควรแก่ันทัศที่สูรูปที่ยี่สิบเอ็ด คือผู้ที่จะต้องอภาร์นั่วก็เป็นผู้ควรแก่กรรมเป็นผู้จะต้องถูกทำกรรมนั่นเองในคํานี้ว่าอัปรโรกน ก, กรรมย่อมถึงฐานะห้าเหล่าไหนฐานะห้าเหล่านี้ก็คือโอสารณาหนึ่งนิสารณาหนึ่งพันธุกกรรมหนึ่งพรหมทันหนึ่งทั้งกรรมมลลักษณะเป็นคํารบห้านี้คําที่ว่าโอสารณานิสารณานั้นท่านกล่าวแล้วเพื่อเป็นบทที่ไพเราะ มีทุกอันเลยนะอภิรโกรกนักกรรมก็มีโอสัตว์รนานิสตรณ า, า, รณายาติกรารยติตุติการยติจัตุกกรรมบ้ามีโอสัตวรนานิสัตรณาหมดแต่ว่าแยกประเภทไปเป็นอย่างๆแต่นิสัตรณามีก่อนโอสัรณามีที่หลังในส อ, อย่างนั้นทันตกรรมนาสนะที่สองทําแก่กัรทกสะสมมเณรพึงทราบว่าเป็นนิสัตรนาอันนี้เขาเรียกว่านาสนะ นธนกรรมนาสนะหรือว่ากันตะกันาสนะเป็นการขับไล่หรือว่าลงโทษให้ชิภายนั่นเองไม่ให้นอนร่วมกับพิกษุสำเนินอื่นสามารถนอนร่วมกับพิจุได้สองจำคืนใครที่ถูกธนกรรมนาสนะก็ห้ามนอนร่วมด้วยห้ามไม่ให้มาอุปถัมภ์แล้วก็ยังมีนาสนะอีกสองอย่างก็คือลิงค้านาสนะลิงค้านาสนะก็ให้กับพิกษณีนะให้ฝึกไปเลยแล้วก็ นาสนะที่เป็นการลงโอเคปนิยกรรมลงอเคปนิยกรรมสังวาสะกะนาสนะก็คือขับไล่ในการไม่ให้อยู่ร่วมเพระเหตุนั้นในบัด น, นี้แม้ถ้าสำเนนกราวติเตียนพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์สแสดงสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเป็นผู้มีความเห็นผิดประกอบด้วยอันตะคาหิกาทิฏฐิ สามเณรนั้นอันพิกษุั้งหลายพึงห้ามปรามให้สละความยึดถือนั้นเสียเพียมครั้งที่สามก็คือทำอัปโลกนักกรรมนั่นเองหากเธอไม่ยอมสละพึงให้ประชุมสงฆ์กล่าวว่าจงสละเสียหากเธอไม่ยอมสละที่สุพุชลาพึงทำอัปโลกนักกรรมลงโทษเธอก็แลกรรมอันพิกษุนั้นพึงทาอย่างนี้ว่าสั่งขังพันเตปุจฉามิ อยังอิททนาโมสัมเนโรพุทธาสะธรรมาสะสังข์สะอวัณวาดีมิชาดิติโกยังอันเยสัมเนราลพันติดิรตติระตังทิคุหิสัตถิงสหเสยังตังสาอนาภาญาเมสาณะโรจติสังขัสะติโดติยัมปิข้อความละติยัมปิพันเตสังขังพุชามิ อย่างอีท่านนามูสามเนโรข้ความลาเหมือนกันหมดรุจติสังขสติจระตีเรวินัสสะอันนี้ก็เป็นการทำอัปโลกสามครั้งโดยการสวดประกาศให้ทรงทราบว่าจะให้ธรรมเนีผู้ที่กก่าตีเตียนประพุทธประรรมส่งแล้วก็เป็นผู้ที่มีนิชานิธินี่แหละชิดหายคำว่าปีเรจระติเรวินัสสะเนี่ยคือเจ้าจงไปเสียเจ้าจงชิดหายเสีย แล้วก็คือไล่ไม่ให้มาสมโพกไม่ให้มาอยู่ร่วมโดยการนอนร่วมกับทิศศุน mm. ก็แปลนะว่า mm. ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถามสงว่าสามเณรชื่อนี้มีความเห็นผิดมักกล่าวติดเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามเณนเหล่าอื่นย่อมได้การนอนร่วมกับทิศศุนทั้งหลายสองสามคืนอันใดการลงโทษเธอเพื่อไม่ให้การนอนร่วมนั้นชอบใจแต่สงหรือ ท่านผู้เจริญครับเจ้าขอถามสงเป็นครั้งที่สองข้อความเหมือนกันท่านผู้เจริญครับเจ้าขอถามสงเป็นครั้งที่สามว่าสามเณรชื่อนี้ชื่อนี้มีความเห็นผิดข้อความละเหมือนกันการลงโทษเธอเพื่อไม่ได้การนอนร่วมนอนชอบใจสงหรือการลงโทษนั้นชอบใจแก่สงแล้วเจ้าคนไม่ดีเจ้าจงไปเสียเจ้าชงชิบหายเสียโดยสมัยอื่นอันนี้เรียกว่าเป็น เป็นนิสธรรมนาเป็นนาสนะนั่นแหละแต่ว่าเป็นนิสธรณาขับไล่ออกจากมูใยสมัยอื่นสามเณรนั้นขอโทษว่าอะทังพันเตบาลตายะอัญญานตายะอัลลัคขิกาตายะเอวอาาังอาตาสซิงสวาหังสังขังค ม, มาเปมิท่านผู้เจริญครับข้าเจ้าได้กระทำอย่างนั้นเพราะความเป็นผู้ขา่าวเพราะไม่รู้เพราะเป็นผู้ไม่พิจารณาข้าพเจ้านั้นขอคข ม, มาแก่สง ดังนี้พึงให้เธอขอเพียงสรั้งที่สามแล้วก็ถอนโทษ ด, ด้วยอัปปโรกนกรรมนั่นแหลก็แนในสาเเ็รนั้นอันที่สุดทั้งหลายพึงถอนโทษอย่างนี้เทสุผู้ฉราดพึงสวดประกาศโดยอนุมัติของสงฆ์ในท่ามกลางสงฆ์ว่าสังขังพันเตปุชามิอยังอิทันานามุสัมเนโรพุทธสาธรรมสะสังคสะ อาวนะวาดีมิชาดิธิโกยังอัญเยสํมเนราลภันติดิรัตติกรตังทิคูหิสถิมสาเสยังตาซาอัลลาภายานิสาริโตสวายังอิดานิโสระโตนิวาตาอุติลาชิธรร ม, มังโอกันโตฮิริตาเปปติทิโตกตาดันดกรรมโม อาจจะยังเดเสติอิมาสาสมเนรับสายทธาตุเรกายสัมโภคะสัมขิดานังโรจติสังข า, ามีความว่าท่านผู้เจริญข้ามเจ้าถามสงว่าสามเนนชื่อนี้มีความเห็นผิดมากราติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันสรงลงโทษแล้วเมื่อไม่ได้นอนร่วมกับทิกษุทั้งหลายสองสามคืน สรืเ่เนินเหล่าอื่นได้แบบนี้สำเนินนี้นั้นสงเสียมเจียมตัวแล้วเว้นได้แล้วประพฤติเรียบร้อยแล้วหันเข้าหาลัตชีธรรมตั้งม่านในหิริโอตปะแล้วได้ ท, ำทํำธนตกรรมแล้วสารภาพโทษอยู่การให้ความพร้อมเพียงด้วยกายสมโภคเหมือนในการกอนแจ่สำเนินนี้ย่อมชอบใจแก่สง์หรือฝึงส่วนอย่างนี้สามครั้งเป็นการเขาเรียกว่าโอสัตนา ในการรับข้อมูลอปโลกนกกรรมย่อมถึงโอตระนาก็คือการรับข้อมูลและนิตระนาก็คือการขับออกจากมูด้วยประการชนี้นี่ก็คือโอตระนากับนิสตรณนเป็นการนาชนะแล้วก็เป็นการถอนโทษการสำเนนผู้ที่กล่าวติพระพุทธศาสนาสองแล้วก็มีความเห็นผิดส่วนพันธุ ก, กรรมขับเจ้าได้กล่าวเสร็จแล้วในปรปรชาวินิชัยประฐานั่นแหลก็คืออปโลกหลงผมให้แก่ ปนุประลาศก็คือพวกนาคที่จะเข้ามาบวชนั่นเองก็เป็นประเพณีจะต้องมีการบอกกล่าวให้สองรับรู้ว่าคนที่เขาเข้ามาจะบวชแต่ตรงผมโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวเลยพวกญาติพวกพ้อพี่น้องเข้ามาตามหาแล้วก็ไม่มีพระวิสุทธสงรู้ว่าใครบวชหรือใครได้บวชลงผมไม่ตรงผมอะไรกันผูกติดเตียนตอนเหตุก็มีคนที่เขาเข้ามาบวชแต่ว่าไม่มีผมด้วยนะก็เลย ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะบวชเพรนหนีมาบวชพ่อแม่ก็เลยติดเตียนก็เลยต้องมีการบอกพันธุกรรมก็คือการตรงผมก็แลพระพรหมทันนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติเฉพาะพระชนะรูปเดียวหาไม่ได้ก็คือบัญญัติกับภิกสุรูปอื่นได้ด้วยเที่ยงตูแม้อื่นใดเป็นผู้มีปากร้ายเสียสีดาค่มทิสุทั้งหลายด้วยไถ่คำหยาบคายอยู่สงพึงลงพรหมทันแก่ทิสุแม่นั้น ก้แลพระมรรนน้นพึงลงอย่างนี้ที่สุผู้ฉลาดพึงสวนประกาศโดยอนุญาตของสง์ในท่ามกลางสงว่าพันเตอิทันนามุภิคุมุขโรภิคุธุรุตตะวัจเนหิคัตเตนโตคุ้งเส้นโตวัมเพนโตวิหารติโสภิคุยังอิเชยยตังวะเดยยภิคุหิ อิทัณนามภิคุเนวะวัตตโบนโอวัดิตตโบนาอนุสาสิตาโบสังขังพันเตปุชามิอิทัณนามสาภิคุโนบรามดันนักสะพรหมดันดสะดานังรุจติสังขสะดุติยปิปุชามิก็ความละตติยัปิปุชามิ อิ e và, Beatles, ทนนามสะภิกุโนบรมดันดสานานังรุจติสังคสะก็แปลว่าท่านผู้เจริญพิสุเชื่อนี้มีปากร้ายเศษ ส, สีดาคมเทก่ยงุทั้งหลายด้วยท้ายคำหยาบคายเทกุ่นั้นกล่าวคําที่ตนปรารถนาจะกล่าวอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเทก่ยุเชื่อนี้อันเที่ยงตุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงแนะนําไม่พึงพร่ําสอน ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถามสงว่าการลงพรหมทานแก่พิสูจชื่อนี้ย่อมชอบใจสงหรือข้าพเจ้าถามเป็นครั้งที่สองก็ความละเหมือนกันข้าพเจ้าถามเป็นครั้งที่สามว่าการลงพรหมทานแก่พิสูจชื่อนี้ย่อมชอบใจแก่สงหรือพรหมทานอันสองเพิ่งระนับแก่พิสูจนนั้นผู้ประพฤติชอบแล้วขอโทษอยู่โดยสมัยอื่นเมื่อให้พรหมทานแล้ว พระพิุรูปนั้นเกิดกลับตัวรู้สำนึกมาขอให้อดโทษก็พึงลดโทษให้ก็แลส่งเมื่อจะระนับอย่างนี้พิสุพุชราชพึงสวนประกาศในถ้ำกลางส่งว่าพันเตพิโคสังโคอาสุกัสสะพิคุโนบรมดันดังอาดาสิโซพิโคโซระโตนิวาตาอุติราชิธรรมังโอกันโตฮิริตเป ปฏิธิโตปฏิสังขาอายตินสังเรติตถติสังขังพันเตปุชามีตัณสาภิคุโนบรมดันดาสะปฏิปสัสสธิโรจติสังข า, าท่านผู้เจริญที่สูตสง์ได้ลงพรหมทานแก่ที่สุโน้นที่สูตนั้ น, นสงเสเี่ยมแล้วประพฤติเจียมตัวหันเข้าหารัชีธรรมตั้งมั่นในหิริโอตปะแล้วที่จะนอแล้ว ตังอยู่ในสังวรต่อไปท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถามสงว่าการระงับพรหมทานแก่ที่สุนั้นชอบใจแก่สงหรือเพิ่งกล่าวอย่างนี้เพียงครั้งที่สามระงับพรหมทา์เสียด้วยอาปาโลกนกรรมอั น, นิเตนการลงพรหมทานแล้วก็เป็นการถอนโทษในพรหมทานนั้นสองบทว่ากรรมะลักขนานเยวะปัญจมังมีความว่า ในเรื่องเหล่านี้ที่ว่าก็โดยสมัยนั้นและิกษุฉับตะคีเอาน้ําโคลนรถทิกษุนีทั้งหลายด้วยหมายว่าแม้ฉไนที่ตุนีทั้งหลายพึงรักใคร่ในพวกเราเปิดกายอวดภิกษุนีทั้งหลายถนลกขาอวดทิกษุนีทั้งหลายเปิดองคชาแสดงแก่ทิกษุนีทั้งหลายพูดเกี่ยวภิกษุนีทั้งหลายชักสื่อกับทิกษุนีทั้งหลายด้วยหมายว่าแมฉฉไนทิ่ตุนีทั้งหลายพึงรักใคร่ในพวกเราดังนี้ พระผู้มีพระาพาวจรงบัญญัติทุกกฎก็คือต้องอบัตรทุกกฎแต่พิกษุนเหล่านั้นแล้วทรงอนุ ญ, ญาตว่าพิกษุน์ทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อลงนธนกรรมแก่พิสูจนั้นเมื่อพิกษุนีทั้งหลายได้มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าเราจะเพิ่ง ท, ำทํำธนกรรมอย่างไรหนอพระผู้มีพระาพาเจ้ารงอนุญาตอาวันนิยกรรมก็คือกรรมในการไม่กลาบไว้ ตอนอวิยานอาวันิยกรรมใดอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุ น, นั้นอันภิกษุดีสงพึงทําให้เป็นผู้อันตนไม่ควรไหว้ดังนี้อวันดิยกรรมนั้นย่อมเป็นกรรมลักษณะแท้ย่อมเป็นฐานะที่ครบห้าแห่งอปโลกนกรรมนี้จึงอยู่อวัณิยกรรมนั้นเป็นลักษณะคือกรรมแห่งอปโลกนกรรมนั้นหากลายเป็นอย่างอื่นมีโอตระนอเป็นต้นไม่เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่ากรรมลักษณะข้าพเจ้าจาักแสดงการกระทำอาวันดิยกรรมนั้นพร้อมทั้งการระับโดยพิสดารนังต่อไปนี้ที่ตุนีผู้ฉราดพึงสวนประกาศตามอนุมัติของหมู่พิสุณีที่ประชุมกันแล้วในสำนักของนางพิสุนีว่าอายเยอสุโกโนามาอโยพิกุณีนางอาปัาดากันนาเซติเอตัสตอยยอวันดิยากรรมังรุจติติ พิกุณีสังขังปุชามิอเยอสโกโนามาอโยพิกุณีดังอา ป, ปาสาดีกังนังเศริเอตัสลาอิยา ส, อยสอาอวันดียาการณาังรุจติติดูติยัมปีก็ความละเหมือนกันตาติยัมปิก็คำละเหมือนกันพิกุณีสังขังปุชามิก็แปลว่านิฉันขอถามพิกุณีสงว่าข้าแต่แม่จ้างทั้งหลาย พระคุณเจ้ารูปโน้นได้แสดงอาการอันไม่น่าเลื่อมใสแก่พวกพิกษุดีการไม่ไหว้พระคุณเจ้ารูปนั้นย่อมชอบใจแก่แม่เจ้าหรือแม้ครั้งที่สองก็ความล้เหมือนกันแม้ครั้งที่สามก็ความล้าเหมือนกันข้าพเจ้าขอถามพิกษุดีส่งว่าข้าแต่แม่เจ้าทั้งหลายพระคุณเจ้ารูปโน้นได้แสดงอาการอันไม่น่าเลื่อมใสแก่พวกพิกษุดีการไม่ไหว้พระคุณเจ้ารูปนั้นย่อมชอบใจแกแม่เจ้าหรือเพิ่งส่วนประการสามครั้งแล้ว ทำอวันดิยาตามด้วยอัปโล ก, กนกตามโดยประการดังว่ามานี้ตั้งแต่นั้นอันทิสตุนีทั้งหลายไม่พึงไหว้ทิสตุนั้นถ้าว่าทิกตุนั้นทิกษุีทั้งหลายไม่ไหว่อยู่กลับเกิดหิริยและอดตะปาขึ้นแล้วประพฤติ ช, ชอบใสเธอพึงยังทิกษุนีทั้งหลายให้อดโทษเมื่อจะให้นางทิกษุนีอดโทษไม่ต้องไปตู่สํานักทิกษุนีพึงเข้าหาสงฆ์คณะหรือทิกษุรูปหนึ่งในวิหารนั่นเอง นั่นกระโยคประรองอัญชรีขอโทษว่าอหังพันเตปติสัางฆ่าอายาติงสัางวเรติดท่ามินะปุนะอาตาซาดิกัมดาเซซามิภิกุณิสัางโคไม่ห้าขมขมาตูท่านผู้เจริญข้าพเจ้าพิจารณาแล้วจะตั้งอยู่ในสังวรต่อไปจากไม่แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใสอีกขอทิุณีสงจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าเถิด นเป็นการขอโทษของพิสุที่ได้ล่วงเกินพิษณีไปแล้วสงหรือคณะนั้นพึงส่งพิสุรูปหนึ่งไปหรือพิสุรูปนั้นพึงไปเองทีเดียวแล้วกล่าวกับพิษณีทั้งหลายว่าอยังพิคุปติสั่ง่าอายติงสั่งวเรติโตอิมินาอจจยังเนเตตวาพิคุณีสังโคคมาปิโตพิคุณีสังโคอิมังพิคุวันดิยังกโรโต เพี้ยกตัวนี้พิจารณาแล้วตั้งอยู่ในสังวรต่อไปเพี้ยกตัวนี้สงอันภิกษุนี้สารภาพโทษแล้วขอโทษแล้วขอทิกษุณีสงจงทําภิกษุนีให้เป็นผู้อันตนพึงไหว้เถิดไปถึงเพี้ยกตัที่ไปทําล่วงเกินทิกษุณีไปประพฤติดีต่อที่สุณีเนี่ยไปบอกกับเพีกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าคณะหรือว่าแก่สงแล้วนี่ยนะ ก็จะทรงพิสูตรรูปใดรูปหนึ่งไปหรือว่าพิกษุที่รับโทษของภิกษุรที่เป็นร่วงเกินภิกษุรดีทรงก็ได้ไม่ใช่พิกษุที่ไปทําโทษกับภิกษุรีเองไปให้พิกษตรรูปอื่นไปพิสูตนั้นอันภิกษตดีทองพึงทําให้เป็นผู้อันตนพึงไหว้ก็แลพึงทําอย่างนี้พิกษุนี้ผู้ฉลาดพึงสวดประาโดยอนุมัติของพิกษุรดีทรงผู้ประชุมกันในสํานักพิสูตรว่า ไอเยอสุโกนามาอโยพิกุนีนางอปาสานิกันเซติพิกุนีสังเขนอวันดิโยกตโตโซลัชิธรรมังโอกกามิตตวาปฏิสังขะายติงสังเวรติโตอจจะยังเดเสตตวาพิกุณีสังขังขมาเปสีตาตาอายาตาวันิยากระังรสจติติพิกุณีสังขังปุชามิ ก็แปลว่าข้าแต่แม่เจ้าทั้งหลายที่ฉันขอถานภิกษุณีสงว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปนูนแสดงอาการไม่น่าเนื่อมใสแก่ภิกษุณีทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้ารูปนั้นอันภิกษุณีสง์ทําให้เป็นผู้อันตนไม่พึงไหว้แล้วทิกษุนั้นหันเข้าหารัชีธรรมพิจารณาแล้วตั้งอยู่ในสังวรต่อไปสารภาพโทษแล้วให้ภิกษุณีสองอดโทษแล้ว การทําทพระผู้เป็นเจ้านั้นให้เป็นผู้อันพิสดุณีทั้งหลายพึงไหว้ตามเดิมย่อมชอบใจแก่แม่เจ้าทั้งหลายหรือพึงกล่าวสามครั้งเที่ยงสุนั้นอันพิสดุณีสองพึงทําให้เป็นผู้อันตนพึงไหว้ด้วยอปปโลกน ก, กรรมนั่นแลอย่างนี้นี่ก็คือเป็นอวันนิยกรรมที่เป็นกรรมลักษณะของอัปปโลกน ก, กรรมซึ่งกรรมทุกชนิดเลยสังการทั้งสี่ก็จะมีกรรมลักษณะทั้งหมด แต่ว่าจะเป็นคำรรชนิดใดก็จะแยกให้ทราบวันนี้ก็สมควรกัเวลาเราไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันโดยจะพูดถึงเรื่องของคำลักษณะต่อก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเป็นผู้ศึกษาทรงจําคําสอนของสมมาสมุทตเจ้าแล้วก็น้อมไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติโดยมีปริยัติเป็นบูรฐานมีการปฏิบัติเป็นชั่นกลางแล้วก็มีปฏิเวทเป็นผลขอให้ท่านได้รู้แจ้งถึงกระด ปฏิเวษสศธรรมของพระัมมาสมัมพุทธเจ้าการทำที่สุดแหองวัตทุขของตนแล้วก็อนุเคราะห์ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยการแสดงธรรมข้อปฏิบัติแก่ผู้อื่นจะได้ทําให้พระาศาสนาจำเริญหรือว่าทรงอยู่ได้นานขอความเจริญในพระธรรมจงมีแด่ท่านแล้วก็ได้บรรลุพระศัทธรรมโดยทั่วกันได้เทื่นสาธุสาธุสาธุ